เทวดานางฟ้าเบื่อสวรรค์ไหมถามหาสวรรค์มีแต่สุขและใจของเทวดานางฟ้ามีความรื่นเริงยินดีอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดจนตายพวกเขาจะเบื่อหน่ายสวรรค์กันบ้างไหม เหมือนความฝันในแต่ละคืนคุณจะบอกได้ชัดที่สุดว่าเป็นฝันดีหรือฝันร้ายก็ในขณะจิตแรกที่รู้ตัวว่าตื่นขึ้นโดยมากคุณจะตื่นขึ้นแล้วรู้สึกเฉยเฉยสทอนห้เห็นว่าเป็นฝันธรรมดาแต่ถ้าตื่นขึ้นแล้วโล่งอกแทบชัยโยโหฮิ้วที่เมื่อกรู่เป็นแค่ฝันนั่นย่อมฟ้องว่าฝันนั้นร้ายกาจยิ่ง ทางสุดท้ายคือตื่นขึ้นแล้วแทบอยากเอาหัวโขกปูนให้สลบลงฝันต่อเพราะยังตักตวงสุขไม่เต็มอิ่มก็แปลว่าฝันที่เพิ่งขาดตอนไปนั้นดีเกินจริงแสนสุขเกินกว่าโลกมนุษย์จะให้กับคุณได้เมื่อตื่นขึ้นจากฝันหวานทุกครั้งคุณจะอาลัยอาวรแสนเสียดายเสมอที่มันเป็นแค่ฝันนั่นก็เป็นเพราะคุณยังไม่อิ่มไม่เบือ่อ ไม่รู้สึกว่าพอชาติพบก็เหมือนฝันและสวรรค์ก็คือฝันดีที่สุดที่คุณจะตื่นขึ้นมาเสียก่อนเบื่อเมื่ อ, อยังหลงไหลฝันดีและยังไม่อยากตื่นชันใดคุณก็จะยังไม่อยากละสวรรค์ลงมาสู่โลกมนุษย์ฉันนั้นขณะอยู่บนสวรรค์จิตของคุณจะเต็มตื่น สามารถในการรับรู้สิ่งต่างๆโดยรอบอย่างพิสดารคุณจะได้เสพแต่ภาพและเสียงงามละไมล้ำประสบการณ์ทางแก้วหูแก้วตาของมนุษย์เป็นต้นว่าคุณจะลืมเครื่องเสียงที่ดีที่สุดในโลกเมื่อสัมผัสมิติกว้างยาวลึกของดนตรีสวรรค์ที่สัเสียงเครื่องประกอบใหญ่น้อยลอยมาจากโค้งฟ้าเบื้องไกลคนละทิศสอดประสานกันอย่างกลมกลืน และเป็นไปตามรสนิยมทางดนตรีสุดท้ายก่อนคุณตายจากโลกนี้ไปเหล่าเทวดาจัดเป็นนันทิคือผู้มีแต่ความยินดีมีแต่ความพอใจในสิ่งที่ประสบพบผ่านหากนันทิเป็นผู้เบื่อผู้หดหูเศร้าหมองก็จะไม่เรียกว่าเป็นนันทิอีกต่อไปฉะนั้น สวรรค์จะต้องเป็นงานเลี้ยงที่เต็มไปด้วยความเรื่นเริงชัวง่วนาตาปีเพื่อหล่อเลี้ยงความเป็นนันทิเอาไว้ด้วยธรรมชาติอันปรากฏขึ้นเพื่อหล่อเลี้ยงความเป็นนันทิสวรรค์จึงถูกขนานนามว่าเป็นนันทะคือมีหน้าที่ส่งมนตร์คลังสะกดให้จิตตกอยู่ในห้วงแห่งความปรีดาอันมีรสประหลาดล้ำ ชวนให้เคลิมคิดอยู่ตลอดเวลาว่านี่เป็นชีวิตอมตะมองไปยังทิศใดจะไม่เห็นการแก่อีกทั้งหายากที่จะมีตายให้ดูเป็นอุทาหรณ์เพราะสภาพทิพย์มีความยืนยงนำซ้ำเมื่อตายก็ล่องหนหายไปเลยไม่มีภาพไฟเผาให้เสะเทือนใจอย่างในโลกมนุษย์เราเทวดาจึงเกิดอุปาทานอย่างเหนียวแน่น วสวรรค์เป็นที่น่าพอใจเป็นนันทะขั้นสูงสุดไม่มีเหตุผลอันสมควรให้คิดเบื่อหน่ายในหมู่เทวดาทั่วไปต้นกำเนิดที่ก่อให้เกิดสภาพอันเป็นนันทะก็คือมหากุศลกรรมที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มนุษย์จะได้รู้หลังความตายว่าหน้าที่ของบุญกุศลนั้น เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความชื่นใจเป็นไปเพื่อความสนุกรื่นเริงโดยส่วนเดียวเราพอจะเห็นตัวอย่างได้จากบนโลกมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหนังเฉิดชายลออตาของอิสตรีหรือซุ้มเสียงกลมกล่อมสน่หสดของผู้มีบุญทางเสียงเพียงด้วยประสบสัมผัสวัตถุหยาบบนโลกประมาณนี้ ก็พอจะทําให้เราเข้าใจได้ว่าวัตถุอันทรงพลังดึงดูดใจเป็นอย่างไรแต่วัตถุอย่าบนโลกมนุษย์นั้นเมื่อเปรียบกับวัตถุทิพย์บนโลกสวรรค์แล้วก็เป็นได้เพียงแค่แม่เหล็กดูดใจขนาดกระแบะมือเดียวไม่อาจเทียบรุ่นกับแม่เหล็กดูดใจขนาดใหญ่เท่าห้องได้เลย บนโลกมนุษย์นี้ถึงแม้คุณมีทุกอย่างครบทั้งหน้าตาฐานะและคนรักแต่แค่ไม่บริหารร่างกายให้สม่ำเสมอคุณก็มีเสร็จเป็นโรคเสี่ยงชีวิตจิตซึมเศร้าแขนขารีบไร้เรี่ยวแรงได้แล้วในขณะที่บนโลกเทวดานั้นถึงแม้คุณเป็นเพียงเทพบริวารที่แทบไม่มีสมบัติเป็นของตนเองคุณก็จะมีสุขภาพแข็งแรงเป็นนิด โดยไม่จำเป็นต้องบริหารร่างกายแต่อย่างใดแถมยังรู้สึกถึงกำลังวังชามหาศาลเพราะเหินทันใจไม่ต้องเดินให้ปวดเขา่าหมายเหตุบนสวนรรค์มิเดินพอเป็นลีลาการเดินไม่ใช่วิธีหลักในการเคลื่อนที่ของเหล่าเทวดานะครับ เมื่อรู้สึกถึงกำลังวังชามหาศาลเหาะเหินทันใจไม่ต้องเดินให้ปวดเขา่าคุณต้องชอบแน่ๆไม่เบื่ออัตภาพชนิดนั้นแน่ๆกล่าวโดยรวมเมื่อเรามองภาพใหญ่ที่สุดของสวรรค์จะเห็นประกอบด้วยธรรมชาติสองขั้วขั้วแรกคือจิตอันอยังชุ่มด้วยความทยานอยากเหมือนพราน ล, ล่าเนื้อที่พร้อมจะพุ่งเข้าหาเหยื่ออันโอชะในทันทีที่เห็น ส่วนอีกขั้วหนึ่งคือวัตถุทิพย์อันเอิบอาบไปด้วยรัศมีดึงดูดรุนแรงเสมือนสนามแม่เหล็กที่ส่งกำลังอยู่ตลอดวันตลอดคืนถ้าจะกล่าวว่าเทวดามีความเบื่ออยู่บ้างก็เพียงชั่วครั้งชั่วคราวครับธรรมชาติใดมีแรงดึงดูดเข้าหากันธรรมชาตินั้นย่อมมีแรงผลักออกแฝงอยู่ในตัวเองเสมอ กล่าวคือเมื่อถึงจุดอิ่มตัวของพลังดึงดูดที่สุดแล้วก็เปลี่ยนเป็นแรงผลักออกจนได้เช่นบนสวรรค์ น, นั้นอาหารทิพรสหนึ่งอาจส่งกลิ่นเยา้ายวนชวนรับประทานเหลือจะกล่าวแต่เมื่อได้บริโภคซ้ำหลายครั้งเข้าแค่คิดถึงรสทิพย์เดิมๆก็เกิดแรงผลักให้นึกอยากไปหารสทิพย์อื่นๆแล้ว นี่ก็คล้ายกับพวกเราที่อาจเบื่อก๋วยเตี๋ยวมื้นี้จึงสลับไปกินข้าวผัดมื้อหน้าสิ่งที่แตกต่างกันไปบ้างก็คือคุณอาจเบื่อก๋วยเตี๋ยวเพราะแม่ครัวรสมือไม่ดีปรุงก๋วยเตี๋ยวได้หวยมากแต่ถ้าเป็นบนสวรรค์แล้วที่อาหารที่จะไม่อร่อยนั้นไม่มีมีแต่อร่อยจัดหรืออร่อยพอประมาณเทวดาจะอยากเปลี่ยนรสชาติด้วยเหตุผลเดียว คือต้องการความหลากหลายหรือความแปลกใหม่ลอใจให้กระโดดทยานไม่หยุดนิ่งไปเรื่อย